พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าห่วงจนถึงวันตายวันนี้เป็นวันที่สิบ กันยายนพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อตอนเที่ยงหลงอุโบสถพระสงฆ์หลงอุโบสถที่วัดในระแวกนี้ก็เข้ามาร่วมหลงอุโบสถแล้วก็ตอนเย็นห้าโมงเย็น ไปที่วัดบ้านม่วงเจ้าคณะอำเภอทันมรณาภาพฝ่ายมหานิกายอายุ80ปีท่านบวชมาแต่เล็กแต่น้อยเนะ่เป็นคนเมืองอุดรของเรานะ่แล้วก็มาอยู่ที่น้ำโสมเป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมในมรณะ คณะสงฆ์ทั้งสองในกายทั้งฝ่ายธรรมยุทธทั้งมหาในกายรวมกันสวดนัดสวดอภิธรรมก็เมื่อวานรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเยอะแล้วก็พระสงฆ์ก็มากดูๆเราลานวัดแน่นไปหมดเมื่อวานทั้งข้างบนข้างล่าง ก็ให้นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้เทศเมื่อคืนนแต่หลวงพ่อได้เตรียมจจตุปัจจัยในวัดของเราไปร่วมสมทบงานศพของท่านสองมืนบาทแล้วก็ผ้าไตรพอเทศจบเขาถวายอีกหนึ่งมื่นค่าการเทศกับผ้าไตรอีกหนึ่งไตร หลวงพ่อก็เลยเอองานศพของหลวงปู่จะได้ใช้ไปอีกจะได้อีกนานเพราะยังไม่ได้พระราชทานเพลิงจะต้องเก็บไว้นานจะต้องมีค่าใช้จ่ายจะต้องดูแลเรื่องเมน เ, เรื่องวัดบูรณะปฏิสังขรที่มันสำรุดชุกโฉมอา้าวหลวงพ่อร่วมสมทบเข้าไปนะ รวมทั้งปัจจัยของหลวงพ่อด้วยกันเทศด้วยสามหมื่นผ้าไตรสองไตรเนอะลูกหลานนะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับมาเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะโดยมากหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดกระโดมพอไปแสดงธรรมมีคนถวายถ้าเป็นงานศพอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะไม่เอากลับคืนมาถ้าเป็นงานศพพระนะถ้าเป็นงานศพครวาวดนะเออ อันนั้นอีกส่วนหนึ่งเขาจะต้องทําบุญอุทิศส่วนกวุศลให้ผู้ตายแต่อันนี้พระสงฆ์ก็หมู่เดียวกันถึงฉันทำญาติโยมจะอุทิศส่วนกวุศลแล้วเราก็มอบ ก, กลับคืนไปเพื่อจะได้ทําเมรุเผาศพเมื่อคืนในหลวงพ่อก็ได้เทศเรื่องอเิจ่าคือของไม่เที่ยงแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลาย จะตั้งอยู่ในความปร ะ, ประมาทในหลวงพ่อก็เลยยกนิทานชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมา เ, เพราะว่าคนทั้งหลายในยุคนี้สมัยนีเ้เรื่องตายและเกิดเรื่องตายและศูนย์เนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนแต่ไม่อยากจะสํารวจไม่อยากจะพิสูจน์ แต่ก็ตีแบบครวบรัดแบบง่ายๆแบบขี้มักล้ายแบบเพื่อโกหกตัวเองไปเป็ น, นวันๆแต่พอโกหกเสร็จแล้วก็สบายใจให้เรื่องสบายใจก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพียแงบบแต่ว่าระงับไปก่อน น, นู่นแหะทีนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่ใจจะขาดนะนะมรณะภัยมาถึงไม่อยากตายที พอไม่อยากตายแต่เขาบอกอะไรเชื่อมดแต่อยู่ดีๆไม่อยากจะเชื่อกันพระพระพุทธเจ้าท่านว่าอยากจะพิสูจน์เรื่องตายและเกิดให้นั่งภาวนานทําจิตใจให้สงบพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองทุกคนจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายทุกพอเปรียบเทียบ่รถกับคนขับรถ คนขับรถก็คือใจร่างกายเนี่ยเเหมือนกับรถเมื่อจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเพราะธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้อันนี้ก็คือทำคำสอนแต่พวกเราไม่พิสูจน์พูดแบบโรดรัตอย่างที่ว่า ผลที่สุดเมื่อมรณาภัยเข้ามาถึงจวนตายคุณเป็นโลกมะเร็งนั้นนะเป็นมะเร็งตับนะตายแน่ข้าวนี่ท่านี้เขาพูดอะไรเชื่อหมดยาผีบงยาผีบอกขี้มูลาขี้ม้แห้งเอามาแช่น้ำกินก็หายเชื่อเขาอีกเชื่อมดเพอตัวเองเป็นขั้นสุดท้ายแล้ว แต่ดีๆนะไ ม, ไม่ไม่ยอมฟังใครไม่ยอมรักไม่ยอมรับฟังหลักเหตุผลนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะพิสูจน์ควรจะฟังฟังแล้วก็จากนั้นก็พิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเราจะได้เดินทางหลบปลีกเปลีกตัวจะเดินยังไงจะทำยังไงเพราะเพราะเรารู้ เราเชื่อว่าเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราปิดหูปิดตาตัวเองเราก็อาจจะไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อแล้วคำไม่เชื่อคํานั้นอ่ะม่ใช่มันจะอยู่ด้วยความผาสุกอ่าพอจวนเข้ามาอย่างที่ว่านันก็เดือดร้อนอีกใจก็เป็นทุกข์อีกในวันเมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้ยกเรื่องมาในพระไตรปิฎกในครั้งพุทธกาลรภิกษุองค์หนึ่ง ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนนะผ้าจีวรเพราะห่วงห่วงห่วงผ้าจีวรของตนเองพอตายแล้ววิญญาณไปเกาะติดอยู่ที่ผ้าจีวรเมื่อพระสงฆ์จะทําพิธีแจกอัฐบริขาดของพระที่ตายดวงวิญญาณพระองค์นั้นที่เกาะอยู่ที่จีวรสะโกนร้อง ร้องขอความช่วยเหลือร้องโ h o ร้องให้บอกพระสงฆ์จะแย่แยงผ้าจีวรของข้านะแต่ร่างกายร่างกายเล็กจริงอยู่เป็นเล่นแต่ใจมันไม่ใช่เล็กเป็นใหญ่ใจใหญ่รู้เรื่องแต่พระสงฆ์ที่นั่งล้อมวงที่จะแจกบริขารของพระองค์นั้นท่านหูไม่ได้ยินไพระท่านไม่ใช่หูเทปน แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่พักคันทกุดีท่านได้ยินได้ยินท่านมีหูทิพมีตาทิพท่านได้ยินโอ้เลนตัวนี้มันร้องเพราะว่ากลัวพระสงฆ์ทั้งหลายจะแย่งจีบอลเขาไปอโนอนไปสั่งให้พระเหล่านั้นระ ง, งับไปก่อนอย่าเพิ่งแจกไ้าจีบอลระ ง, งับไปก่อนนะจนกว่าจะได้รับคำสั่ง เราให้แจกยังค่อยแจกพระอนุเก็รีบไปไปบอกว่าดูก่อนพวกท่านทั้งหลายพระพุทธองค์มีพระบัญชามาว่าให้พวกท่านทั้งหลายระ ง, งับไว้ก่อนอย่าเพิ่งแจกผ้าจีบรลอย่าเพิ่งแจกอัฐพริขารพระที่ตายเมื่อวานเอาเก็บไว้ก่อนพระพุทธองค์ได้สั่งมาแล้วก็จนกว่าจะได้รับพระบัญชา อย่างอื่นให้แจกยังค่อยจัดการแจกพระเจ้าหล้าก็เก็บบริขารไว้แต่ก็ตั้งความสงสัยไว้ในใจเมืเ่อไหร่ทำไมองค์อื่นตายแล้วนะ ก, ก็แจกกันแต่องค์นี้ทำไมสั่งระงับเป็นเหตุมีเหตุผลอะไรหนาต้องมีเหตุนะพระสงฆ์ก็เก็บพอเจดวันพระพุทธองค์ก็บอกสั่งพระอ น, นุ์ว่าอ น, นุ์ไปบอกพระ ที่เก็บอัถบริขารที่เจวันที่ผ่านมาเนี่ยแจกได้แล้วนะบอกแจกแจกได้ประชุมสงฆ์แล้วก็แจกจากนั้นพระนงก็ไปบอกพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ประชุมกันคือในครั้งพุทธกาลอัถบริขารอนีถอัแปลว่า8อัฐบริขารเนี่ยของบริขารแปหายากบริขารแนั่นคืออะไรบาทกีวร สังคาติผ้าสบงสายประคดเอวผ้าสีเหล็กสมน้ำหนึ่งผูดง่ายๆผ้าสก็คือผ้าสังคาติจีบอละบงสายประคดเอวผ้านุ่งผ้าสีเหล็กสมคืออะไรเข็มมีดโกนมีดตัดเล็บเหล็กสน้ำหนึ่งก็คืออะไร ภากรองน้ำของกรองน้ำธรรมกะลกอันนี้ยบริขารของใช้ของพระมีอยู่แปดอย่างแต่บ่าบริขารแปดในเมื่อพระท่านมรณภาพองค์ใดองค์หนึ่งลงไปแล้วก็เอาอัฐบริขารของพระนั่นแหละสมบัติของพระอนั้นมาวางไว้ตรงกลางจากนั้นพระสงฆ์ก็นั่งล้อมพระสงฆ์ในวัดนั่นะในกลุ่มนั้นะ ในวัดพระเชตวันมหาวิหารในสมัยนั้นมีหลายกลุ่มมีหัวหน้าคล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้แหละรักษากลุ่มเป็นหัวหน้าคณะนะอย่างมัดบวรหนึ่งคณะเขียวรลังสีคณะอะไรต่อมีอะไรคณะตะวันออกคณะตะวันตกคณะทิศเหนือทิศใต้คณะกลางลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ในแต่ละคณะก็ต้องมีหัวหน้า ในเมื่อมีปัญหาขึ้นมากันนะอันนี้ก็พระองค์นั้นก็อยู่ในคณะหนึ่งพระคณะหัวหน้ากมารวมกันเสร็จแล้วก็หัวหน้าคณะก็ประกาศเออเียพระอ ง, องค์ไหนที่ดูแลอุปถรมประทากพระที่องค์ที่ท่านมรณภาพไปนั่นนะใครเป็นอยู่ใกล้ใกล้ชิดท่านรับใช้ท่านองค์ไหนคณะสงฆ์ก็เสนอขึ้นมาพระก็เป็นผู้ดูแล อุปธรรมวาตากพระที่มรณะภาพเออเอาให้พระกอเลือกเอาบริขารแปดเนี่ยต้องการอะไรให้เลือกก่อนเพื่อนพระกอก็ต้องเลือกแหละอยากจะได้จีวรแล้วอยากจะได้สังฆาติอของอาจารย์ก็เลือกเอาพอเลือกเสร็จแล้วก็เอาองคไหนบริขารชำรุดมากน้อยกว่ากันองไหนบริขารชำรุดมากในกลุ่มของเราองนั้นครับ แป่ยพระสงฆ์ก็เสนองค์นั้นครับสังขาติขาดครับเออเอาสังขาติให้องค์นั้นอันนั้นคือการแจกบริขารในครั้งพุทธกาลท่านทําโดยเป็นธรรมนะจากนั้นก็เนี่ยพระองค์นั้นตายอาาัถฐบริขารมาอย่างที่ว่าเนี่ยกาลังจะแจกแบ่งกันแต่เลนตัวนั้นอยู่ข้างในร้องที่พระพุทธเจ้าให้สั่งให้ระงับพอเจดวันพระองค์ก็ให้สั่งให้พระ ชมกันแล้วก็แจกอัถบริขารพอแจกเสร็จแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นสงสัยถึงเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งระงับแล้วก็สั่งให้แจกมีเหตุผลอะไรหนอพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าที่พระพุทธองค์ได้สั่งให้พระอานนท์ไปสั่งระงับการแจกบริขารกับพวกข่าพระองค์แล้วก็วันนี้สั่งให้แจก มีเหตุผลอันไหนหนอพระเจ้าข่าจึงได้ตัดอย่างนั้นเพราะพวกข้าพระองค์สงสัยพราะพทธองค์บอกว่าพวกพระองค์ที่ตายไปนั่นก่อนที่เขาจะตายเขาคิดห่วงผ้าจีวรเขาอย่างมากคิดห่วงผ้าจีวรโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ผ้าจีวรผืนนี่หล ะ, ะตัดมาเจ็บมาหมัดๆใหม่ๆถูกใจมากๆ เราจะได้ใช้ละ่ะแต่พอจวนใจจะขาดก็ห่วงผ้าจีวรโอ้ข้านจะตายจริงหรือเนี่ยบริขารของข้าเนี่พอจนันทใจก็เลยขาดพอใจขาดท่านนั้นอ่ะวิญญาณก็เลยเข้าไปปฏิสนธิพล ไ, ไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรในผ้าจีวรผืนนั้นในกําเนิดกําเนิดสี่กําเนิดสี่ก็คือ ชลาพุชะเกิดในคันอันทชาเกิดในไข่สังเสทชาเกิดในสิ่งที่ปักหมมในเท่าในใครอย่างที่พวกเราไปตั้งหม้อน้าไว้แล้วก็น้ำน้ามันชุ่มอยู่ในก้นของมั น, เ, นเรายกหม้อขึ้นมาก็มีไส้เดือนมีอะไรตีตัวอะไรตัวดงแ ด, ง, ดงทักแค่หลายๆๆหลายๆอย่างที่มันเกิดนั่นแหละ อันนั้นเป็นอันว่าเกิดในที่หมักหมมสิ่งไหนที่มันหมักผ ม, มก็เกิดเป็นตัววิญญาณขึ้นมาอันนั้นแปลว่าสังเสตชะเกิดในเท่าในใครโอปปาติกะเกิดผดขึ้นแต่เรนตัวนี้นะเกิดแบบผลขึ้นวิญญาณเข้าไปเกาะแล้วก็ตัวเองก็เกิดขึ้นเป็นตัวเรนตัวไรไม่ได้มาจากไข่ตัวไหนจากนั้น พอเจ็ดวันอายุของเลนตัวนะั้นถ้าเจ็ดวันนะมันไม่ได้กินอะไรมันก็เลยตายพอตายแล้วเลนตัวนั้นอ น, นสงสมาธิอเสงสินของเขาสมัยเมื่อเป็นพระนะเมื่อเป็นพระเนะี่ยเขาปฏิบัตริรักษาศินภาวนาทุกอย่างอเ น, นสงของเขามีอยู่แต่ขณะที่ช่วงตายนะั่นะ ช่วงที่มรณ ะ, ะภาพใจของเขาเป็นห่วงเพราะมันห่วงก็ต้องไปเกาะตัว น, นั้นก่อนไปเกาะที่ตรงที่มันห่วงก่อนพอเล่นตัว น, นั้นตายตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์เพราะว่าอนนี้สงฆ์ภนาอนนสงฆ์ปฏิบัติของเขามีอยู่อันนี้สงศินของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่สวรรค์พอตอนเมื่อเขาไปสู่สวรรค์แล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าอนนท์ไปบอกให้เขาแจกอัตตาบริขาร น, นะจ๊ะ พระวิญญาณน่ะพระองค์นั้นไปสู่สวรรค์แล้วนีถ้าหากว่าพระองค์นั้นเป็นตัวเลนตัวลายอยู่ในผ้าจีบอลและกับพระเหล่านี้แจกผ้าจีบอลเลนตอนนั้นมันกิดโกรธโมโหโกธาให้ให้กับพระผู้ทรงศีลเพราะพระทรงศีลเขาไม่รู้ตัวเองก็โกรธพราะองค์บอกว่าเมื่อเลนตอนนั้นตายแล้วจะไปสู่นรกเพราเหตุพราะเขาตายเขาตายด้วยความโกรธ ตายเรยโมโหโกธานี่แหละมันเป็นเรื่องที่ในพระไตรปิฎกท่านพูดละเอียดอ่อนในการเป็นอยู่ของวิญว ญ, ญาณจากนั้นก็พ่อแจกอัตบริขารเรียบร้อยประกาศพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้เหตุผลว่าวิญญาณพระองค์นั้นไปสู่สวัสด์แล้วเราอนุเคราะห์ อนุเคราะห์ดวงวิญญาณถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งห้ามดวงวิญญาณนั่นก็คงจะไปสู่นรกเพราะเขาโกรธให้พวกท่านผู้สงสินแต่พวกท่านไม่ได้รู้อะไรแต่วิญญาณนั้นโกรธกับผู้สงสินเขาต้องไปตกต่ำอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้น ต้องฝึกฝนเอาไว้ว่าก่อนที่จะตายนะก่อนที่จะถึงจุดจบแล้วจะฝึกยังไงเราจะฝึกยังไงจึงจะไม่ห่วงหาอะไรไม่คล้องแว้กับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าเรายังเป็นห่วงตายไปแล้วยังเป็นห่วงเงินในห่วงธ น, นบัตรอยู่ในธนาคารคงจะไปเป็นตัวเล่นตัวไลยอยู่ที่นั่น ถ้ามาห่วงบ้านห่วงเลือนคงจะมาเป็นหนูเป็นตุ๊กแกเป็นมแมลงสาบอยู่ในบ้านเอกถ้าห่วงไร่ห่วงนาก็คงจะไปเป็นกบเป็นหอยเป็นกุ้งอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาอีกมันไปได้ทั้งหมดสรุปแล้วคือใจคือดวงวิญญาณเพราะนั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าควรจะฝึกเรื่องสมาธิ ให้ใจนึกคิดเรื่องอะไรให้รู้ให้ใจของเราเห็นรู้เรื่องราวต่างๆอย่าไปเกาะอย่าไปติดออปล่อยวางร่างกายทั้งร่างของเราเนะี่ยยังไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็บอกเสียว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะกายนะมันก็บอกไม่ได้มันก็ไหลไปตามสภาพเหมือนกับเราซื้อรถมา่ พอออกมาแล้วก็ออกมาใช้ใช้เอ้รถเนียอย่าํารุดนะรถนะใช้ไปตลอดนะเพราะข้าเอาน้ํามันให้เติมน้ําเติมน้ํามันอะไรทุกอย่างดูแลประครบประหงขนาดนี้จะชำรุดได้ยังไงฮมันก็ดีกว่าไม่รักษาแต่ตามไม่จริงถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะถ้ายังใช้มันอยู่มันก็ต้องไหลไปตามสภาพอเนจจังไม่เที่ยง จากนั้นก่อนมีปัญหาผลที่สุดก็ใช้ไปนานปีข้กจบใช้ไม่ได้เพราะสำรุดอย่างมากร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันออกมาใหม่ๆเราก่อนตื่นตัวเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็เป็นคนกลางคนตกไปก็ไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดก็นั่นแหละฟันก็หลุดหูก็ตึงตาก็ฝาฟางผมก็ขาว หลังก่อขอ่อมผลิตุก็นอนอยู่ในเตียงยกระยุกกระเดกก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะมันแก่นี่แหละถ้าว่าเป็นของเราเราอย่าแก่นะกายนะมันก็คงจะไม่แก่อันนี้อย่าตายนะกายนะมันก็คงจะไม่ตายแต่ที่ไหนได้ไม่มีใครที่จะหลอดผลไปได้เรื่องเก็แก่เจ็บตาย เพราะนั้นพระพุทธองค์จริงสอนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อให้ประกอบคุณงามความดีเนะ้อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ทำสิ่งนั้นคิดดีทำดีพูดดีทาเมื่อท่านทำที่ถูกต้องเป็นธรรมมันดีทุกอย่างแล้วเนะนะความดีนะ่าจะตามสนอง พวกท่านไปเกิดในภพภูมิใดความดีจะตามสนองแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะตามสนองกรรมชั่วพวกท่านอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วพวกท่านจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเรา ทุกคนนะนํามาคิดพิจารณากัดกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วนะับพรอนุโมทนาให้พร